ดูคำตอบแบบนี้แล้วก็เห็นใจพม่า ถึงตอนนี้พูดแทนรัฐบาลฝรั่งเศสที่กรุงมันดาเลก็เริ่มจะกราบทูลแนะนำพระเจ้าสีปอให้ทรงผูกมิตรกับฝรั่งเศสโดยชักเหตุชักผลว่ายวนและขเขมรก็ได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสร่วมสุวรรณปทภีเดียวกันฝรั่งเศสก็ปกป้องคุ้มครองทั้งสองประเทศนั้นให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ไม่มีใครมากระทำกระทำย่ำยีหรือดูถูกดูหมิ่นได้พระเจ้าสีป่อเด็กทรงฟังก็เลื่อมใสประกอบกับที่ทรงแค้นเคืองอังกฤษอยู่แล้วจึงทรงเห็นคล้อยตาม ปีพุทธศักราช2426พระเจ้าสีปอได้ส่งราชทูตทั้งคณะไปเมืองฝรั่งเศสทางพมา่าอ้างว่าราชทูตคณะนี้ไปฝรั่งเศสเพื่อศึกษาหาความรู้ในทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแต่ก็ดูเหมือนจะรู้กันทั่วไปว่าพระเจ้าสีปอ มีพระเจประสงค์ที่จะผูกมิตรกับฝรั่งเศสเอาไว้ขู่อังกฤษเอกอัคราชทูตนั้นเป็นขุนนางตำแหน่งอั ต, ตวินบุญเทียบชั้นพระยาในเมืองไทยตัวท่านเอกอัคราชทูตนั้นพูดภาษาอะไรไม่เป็นหรอกนอกจากภาษาพมา่าแต่ก็มีขุนนางพมา่าซึ่งเคยไปเรียนนอกแต่ในราชการพระเจ้ามินดุงพูดฝรั่งได้เป็นอุปทูตตรีทูต ร่วมไปด้วยและมีฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งติดตามไปในคณะทูตเพื่อคอยเป็นล่ามและช่วยเหลือต่างๆคณ ะ, ะทูตคณะนี้ไปถึงฝรั่งเศสแล้วบอกว่าอยู่ไม่นานแต่แล้วก็อยู่เส้นนานแต่เมื่อเป็นแต่เพียงคณะราชทูตไปศึกษาหาความรู้นี่ก็จริงไม่ได้มีพระาชสารและเครื่องราชบรรณาการติดไปด้วย ทางฝรั่งเศสก็ไม่รับเป็นทางการและไม่ให้เขายืมพระราชสารต่อประธานาธิบดีเพราะไม่มีพระราชสารจะยื่นเรื่องพูดพมา่าไปต่างประเทศนี้ออกจะยุ่งยุ่งเสมอ ครั้งหนึ่งทูตพมา่ามาที่กรุงสียุธยาถึงกับป้องเอาสำรับกับข้าวเทรถหัวกันเพราะทูตไม่ยอมกินเลี้ยงโดยอ้างประเพณีพมา่ายุ่มๆต่างๆถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะไม่ได้รับทูตพมา่าเป็นทางการก็ตามทีแต่เมื่อทูตพมา่าอยู่ฝรั่งเศสนานเข้า หลอดไลออนเอกอักรเจะทูตอังกฤษที่ฝรั่งเศสก็ชักจะเดือดร้อนเอกักษรเจ้ทูตอังกฤษได้ไปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบ่อยๆเพื่อถามว่าพม่าจะทำสัญญาทางไมตรีกับฝรั่งเศสจริงหรือไม่เพราะอังกฤษมีเขตแดนติดต่อกับพมา่าอังกฤษก็จำต้องสนใจในเรื่องเช่นนี้ แต่รัวมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสก็ตอบบ่ายเบี่ยงไปว่าพมา่ามาขอตกลงทางการค้าเพียงบางเรื่องเท่านั้นแต่เมื่อทูตพมา่าไม่มีอำนาจเต็มที่จะตกลงอะไรได้ฝรั่งเศสก็ไม่มีทางที่จะทำความตกลงอย่างไรด้วยเมื่อฝรั่งเศสตอบมาอย่างนี้อังกฤษก็ได้แต่นิ่งอยู่แต่พอขึ้นปีใหม่ คือปีพุทธศักราช2427อังกฤษก็ขอยฝรั่งเศสตกลงว่าจะไม่ส่งอาวุธให้แกพม่าจากยวนเหนือและต่อมาก็บอกกับฝรั่งเศสว่าอังกฤษหวังว่าประเทศต่างๆที่เป็นมิตรกับอังกฤษจะไม่ทำสัญญาทางไมตรีเข้าเป็นพันธมิตรกับพมา่าทูดพม่าที่ไปอยู่ปารีสครั้งนั้น อยู่เส้นนานจนกระทั่งปี 2,427 ผ่านไปแล้วก็ยังไม่กลับเพราะรัชทูรู้ดีว่าหากกลับไปโดยไม่มีสัญญาทางไมตรีกับฝรั่งเศสก็จะถูกลงราชอาญาหรือมิเช่นนั้นก็จะต้องถูกถอดยศหมดวาดสนาและก็จะต้องเจ็บป่วยล้มตายเอาเฉย เช่นราชทูตที่ส่งไปอินเดียและไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อฝรั่งเศสยังไม่ทาสัญญาอย่างใดราชทูตพม่า ก, ก็อยู่ในฝรัง่งในฝรั่งเศสอยู่ในปารีสไปเรื่อยๆดีกว่ากรุงปารีสนั้นก็สนุกสบายดีกว่ากรุงมันดะเล่ที่สำคัญก็คืออยู่ได้โดยไม่ต้องหวาดเกรงราชภายัย ในที่สุดพอเข้าปี 2,428 ต้นปีรัฐมนตรีว่าการการประเทศของฝรั่งเศสก็แจ้งแก่เอกอัครราชทูตอังกฤษที่ปารีสว่าพม่าได้ลงนามในสัญญาทางการค้าอฝรั่งเศสได้ลงนามในสัญญาทางการค้ากับพม่าแล้วสัญญานั้นเป็นสัญญาการค้าธรรมดาไม่มีข้อผูกพันทางทหาร อังกฤษไม่ต้องวิตกเพราะฝรั่งเศสจะไม่ส่งอาวุธให้พมา่าเมื่อได้ทําสัญญากับฝรั่งเศสแล้ว ร, ช ร, ราชทูตพม่าจึงไปเยี่ยมเอกอาก ร, ช ร, ราชทูตอังกฤษที่สถานทูตอังกฤษในกรุงปารีสแล้วบอกให้รู้ว่าคณะทูตพม่าจะเดินทางต่อไปยังกรุงโรมไม่ไปอังกฤษละที่ทูตพมา่าบอกกับอังกฤษดังนี้ พรเจ้ากับบอกให้อังกฤษรู้ตัวว่าพม่ากําลังจะหาพวกเอาไว้เพื่อที่จะสู้กับอังกฤษทูดพมา่าไม่ได้สัญญาจากอิตาลีอีกละเพราะอิตาลีเกี่ยงว่าคนชาติอิตาลีที่ไปรับราชการกับพระเจ้าสีปอนั้นไม่ได้รับพระาชาทายเงินเดือนมานานแล้วเออ มีเงินเดือนค้างจ่ายอยู่มากคือคือไม่จ่ายเงินเดือนให้ถูกติดถูกค้างมากให้พระเจ้าสีปอจ่ายเงินเดือนให้แก่คนอิตาลีเหล่านั้นซะก่อนจึงจะเจราจาด้วยในที่สุดราชทูตพมากก็กลับคืนสู่กรุงมันดเลีสัญญาที่ทํากับฝรั่งเศสนั้นทําให้มีกองศุนฝรั่งเศส ขึ้นในกรุงมันดาเล์และถึงแม้ว่าสัญญานั้นจะเป็นสัญญาทางการค้าจริงอย่างที่ฝรั่งเศสได้แจ้งไว้แก่อังกฤษแต่พม่า ก, ก็เข้าใจเอาเองว่าตนมีฝรั่งเศสหนุนหลังอยู่ไม่ต้องกลัวอังกฤษอีกต่อไปแล้ว ร, ราชทูตพม่าที่ไปอยู่ฝรั่งเศสเส้นนาน น, นั้นก็ได้แต่กราบบังคมทูลยกย่องฝรั่งเศสว่เก่งกล้าสาหัสกว่าอังกฤษ พระเจ้าสีปอก็ยิงชาราพระราชฤาษยขึ้นไปอีกทีนี้หมดห่วงเรื่องเมืองอังกฤษละเพราะถือว่ามีมีฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรด้วยแล้วหมดห่วงเรื่องเมืองอังกฤษแล้วพระเจ้าสีปอก็หันมาทรงพระวิตร์เรื่องเจ้านายในพระชวศ์เป็นกบฏ อย่างจิงราชบรรังเคยทรงทากับคนอื่นมาอย่างไรก็ เ, เกรงว่าคนอื่นจะทากับพระองค์อย่างนั้นขึ้นบังละนี่ก็เหมือนกับนักปฏิวัติทั้งหลายซึ่งกลัวการปฏิวัติมากกว่าคนธรรมดาสามัญที่ไม่เคยปฏิวัติถึงแม่าพระองค์เจ้ายองโอ ซึ่งมาตั้งสองสมผู้คนที่ชายพระชจนาเขตจะได้ถูกอังกฤษบังคับให้เลิกกลับไปแล้วก็ตามแต่เจ้านายที่ยังคงอยู่นอกประเทศก็ยังมีอยู่หลายพระองค์นอกจากพระองค์เจ้ายองอกแล้วก็ยังมีพระองค์เจ้ายองยานผู้เป็นพระนุชาและยังมีพระองค์เจ้ามายิงโกนผู้สึ่งเกิดเรื่องครั้งรัชการพระเจ้ามินดุง ตอนกระบทปรงพระชนพระมหาอุปราชพระองค์เจ้าพระองค์เนี้ยคือพระองค์เจ้ามายิงโกนเนี่ยหนีไปอยู่อินเดียอังกฤษ ก, ก็กักพระองค์ไว้ที่เมืองพาราณสีขณะนั้นปรากฏว่าหนีเล็ดรอดมาอยู่ที่เมืองปอนดิเชรีของฝรั่งเศส พระเจ้าสีปอยยิ่งทรงคิดถึงเจ้านายเหล่านี้แล้วก็ยิ่งทรงพระวิตกกังวลเพราะแต่ละองค์ก็ยังมีข้าทายและพวกพ้องหลงเหลืออยู่ในพม่าอีกมากเป็นภัยอันตรายต่อพระองค์อยู่มีรู้จบ เลนั้นยังมีเจ้าเหลืออยู่อีกสองสามองค์และมีคนที่ต้องโทษกระบทรวมทั้งคนที่ทำไม่ถูกพระเจริญไทยถูกขังอยู่เป็นจำนวนมากคนเหล่านี้ไว้ใจไม่ได้ทั้งสิ้นแนหะพระเจ้าสีปอโคทรงปรึกษาแตงดาหมินกี้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะกาจัดคนเหล่านี้เสียได้แตงดาหมินกี้ก็กลับบังโคมนทูลว่า ครั้งก่อนเมื่อสําเร็จโทษเจ้านายและประหารชีวิตขุนนางนั้นอังกฤษก็ได้แต่ประท้วงแต่ก็ไม่เห็นทําอะไรได้เกินกว่านั้นคราวนี้พมา่าได้ทําสัญญากับฝรั่งเศสแล้วมีฝรั่งเศสเป็นมิตรแล้วเห็นเพียงอังกฤษจะไม่กล้าทําการรุนแรงใดๆเลยแต่การสําเร็จโทษเจ้านายและประหารชีวิตคนอื่นในวัง ครั้งก่อนนั้นออกจะโจ่งแจ้งไปการที่จะทําครั้งนี้ก็จะต้องทําให้แนบนียนมีให้เป็นที่ขรานอินทาแก็บ่าระอองพระบาทได้แตงดาหมิงกี้ก็กราบบังคมทูลอุบายที่จะกำจัดคนที่เป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินแห้หมดต่อพระเจ้าสีปอพระเจ้าสีปอก็ทรงเห็นด้วยกับอุบายนั้นแตงดาหมิงกี้ จังส่งคนสนิทเข้าไปในคุกให้สอดสองหานักโทษที่เก่งกาดพอที่จะชักนำนักโทษอื่นให้แหกคุกได้ในคุกนั้นมีนักโทษคนหนึ่งชื่อยานหมินยานหมิ่ น, นี่เป็นผู้ร้ายฆ่าคนมัตเสรแลชนิดเทว่าหนักต่อนหนักอยู่ละคนโทษในคุก พากันเกรงกลัวยานมินอดีตนักโทษฆ่าคนตายผูนี้อยู่ทั่วไปล่ะคนสนิทของแตงดาหมิงกี้ก็เข้าไปเจราจาเกลี้ยกล่อมให้ยานมินชักนํานักโทษอื่นให้แหกคุกอ่าคนสนิทของแตงดาหมิงกี้รับปากว่าจะช่วยติดสินบนผูกคุมผูกคุมคนใดไม่ยอมช่วย ก็จะฆ่าเสียเหมือนตอนแหกคุกยานมิน่นอดีตนักโทษฆ่าคนตายผู้นี้ก็หลงเชื่อชักชวนนักโทษให้เขาเป็นสมัครพรรคพวกได้อีกหลายคนแล้วคนสนิทของแตงดาวมิงกี้ก็นัดหมายวันให้แหกคุกวันที่นัดหมายกันนั้นเป็นวันที่ยี่สิบสองกันยายน 2,427 ยานมิ่นก็นำนักโทษแหกคุกตามที่นัดไว้พอเปิดประตูคุกได้ยานมิ่นก็วิ่งนำหน้านักโทษออกมานอกคุกทหารของแตงดามินกี้ซึ่งประจุกระสุนปืนคอยดัดอยู่แล้วโดยรอบก็ยิงนักโทษเหล่านั้นตายสิ้น ยานมินนั้นถูกปืนตายเป็นคนแรกเลยหลังจากนั้นแตงดาหมิงกี้ก็ทำตามอุบายของตนนี่คืออุบายจะฆ่าให้หมดน่ะก็ไปหลอกให้มีคนแหกคุกซะเมือม่อมีอมอมอคนแหกคุกเกิดขึ้นแล้วนี่ก็กระทำเอาเลยละเอายิงตายหมดแล้วสร้างให้จุดไฟขึ้นในคุกบรรดาจเจ้ามายขุนนางที่พระเจ้าสีปอดทรงเห็นว่าเป็นเสี้ยนน้าแผ่นดิน ซึ่งติดคุกอยู่นั้นมีได้ร่วมการแหกคุกด้วยหรอกครั้นเห็นไฟรุกไม้คุกหนักเข้าก็พากันวิ่งหนีไฟออกมานอกคุกนี่ก็ได้ผลตอนนี้พเพราะเหนียวมานอกคุกเนี่ยแตงดามหมิงกี้ก็สังไอ้ฐานยิงเอาจนตายหมดสิน้นเสร็จจากคุกหนึ่งแล้วนี่ฆ่าหมดเป็นคุก แต่ดามิงกี้ก็ไปจุดไฟขึ้นในคุกอื่นอีกอีกสองคุกรวมคนที่ตายในวันนั้นกว่าสามร้อยคนนอกจากคนที่เป็นเส้นหนามแผ่นดินแล้วก็ยังมีนักโทษอื่นพลอยตายอีกด้วยมากศพคนที่ตายในวันนั้นเอาไปทิ้งไว้ที่ป่าช้านอกกรุงมันดาเลปล่อยให้แรงกากินไปจนหมด และในขณะที่ไฟไม้คุกนั้นในวังนะ่ะมีงานปล่อยหลวงมีละครอีกเช่นเคยพระเจ้าสีปอสั่งให้จุดประทีปโคมไฟร า, รายรอบพระาชวังและในคูพระาชวังนั้นก็โปรดให้เอามาโหรีลงเรือบรรเลงมีคนร้องดอกส้อยสักรวาเป็นที่สนุกสนานรื่นเริงยิ่งนะนอกจากนั้นแล้ว ยังโปรดให้เอาเรือไฟของหลวงรับคนในกรุงมัณฑะเลย์ออกแล่นเที่ยวเล่นในแม่น้เยอราวดีตั้งแต่กรุงมัณฑะเลยไปยังเมืองสะแขง oh. เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องนักโทษแหกคุกเมื่อนักโทษแหกคุกก็ต้องปราบปรามนี่ถือว่าอย่างนี้แต่ แต่คนทั้งปวงก็รู้ในอูบายว่าจะหลอกฆ่ากันให้มันล้ ม, มให้มันตายไปคนที่มีหนทางจะทำได้ก็พากันอพยพจากอาณาจักรอังวะไปอยู่กับอังกฤษที่พม่าใต้มากยิ่งขึ้นนี่การกระทําเช่นนี้ของผู้ครองเมืองผูกกินเมือง เ, อเมื่อผู้คนอพยพไปมากเข้านี่ การค้าการขายต่างๆก็ลอยหลอลงไปตามผู้เมืองต่างๆก็มีแต่ความไม่สงบจีนห่อยกทัพมาตี บ, าบ้านเม่อในแคว้นไทยใหญ่และยึดเมืองได้อีกด้วยทางกรุงมันดาเล่ก็ไม่ได้ส่งทหารไปสู้รบบ้านเมืองไทยใหญ่ต่างๆก็ทำท่าว่าจะแข็งเมืองไปตามๆกัน แต่พระเจ้าสีปอและพระนางสุพยรัตน์ก็มิได้รงพระบริวิตรตกประการใดอย่างไรด้วยสัญญากับฝรั่งเศสก็ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปฝรั่งเศสก็คงจะต้องส่งทั้งเงินและอาวุธมาถวายข้าศึกที่ไหนจะกล้าล่วงพระบรมเดชานุภาพได้นี่ทรงคิดอย่างนี้ หากพระเจ้าสีปอมิดิสนราชยุทธายในการผูกไมตรีกับฝรั่งเศสจนเกินไปนักบางทีเหตุร้าวฉานที่เกิดขึ้นระหว่างพม่า ก, กับอังกฤษในเวลาต่อมาอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะกรุงรัธนบุระอังวะที่ไม่มีประเทศมหาอำนาจเป็นมิตรนั้นอังกฤษถือว่าไม่เป็นภัยต่ออังกฤษ แต่กรุงรัตนบุระอังวะที่มีฝรั่งเศสเป็นคู่แข่งกับอังกฤษเป็นมิตรนั้นอังกฤษถือว่าเป็นภัยอันตรายต่อระบบการหาเมืองขึ้นและการปกครองเมืองขึ้นของอังกฤษทีเดียวละเป็นอันตรายทีเดียวแต่เหตุที่พระเจ้าศรีป่อทรงกระตือรือร้นที่จะคบกับฝรั่งเศสก็เพราะทรงทราบว่าฝรั่งเศสเป็นคู่แข่งกับอังกฤษนั่นเอง อาจจะทรงคิดไปว่ากรุงรัตนบุระอังวะที่มีฝรั่งเศสหนุนหลังอยู่นั้นคงจะเป็นที่เกรงขามแก่อังกฤษต่อไปสิ่งที่ไม่ทรงทราบก็คือในขณะนั้นกรุงลอนดอนมีอิทธิพลทางการทูตอยู่เหนือกรุงปารีสมากอยู่อาจจะบังคับปารีสให้ทำอะไรตามใจลอนดอนได้มาก อย่างไรก็ตามกงสุนฝรั่งเศสมาถึงกรุงมันดะเลเมื่อเดือนมิถุนายนปี2428กงสุนฝรั่งเศคนนี้ชื่อมองซีเออร์ฮาร์สเป็นคนที่ออกจะวุ่นวายอยู่นังจะได้กล่าวถึงกันต่อไปเมื่อกรุงฝรั่งเศสเมื่อกงสุนฝรั่งเศงสเศมาถึงทางพม่า ก, ก็รับรองเป็นการใหญ่ เด็เข่าฟ่าพระเจ้าสีปอเป็นวิธีใหญ่เช่นเดียวกับรับธูตและได้ไปพบปะกับเสนาบดีมือพม่าทุกคนเมื่อได้เจรจากันแล้วในฮาร์สกงสุนฝรั่งเศสก็เข้าใจว่าถ้าหากฝรั่งเศสทาสัญญาจะช่วยพมา่าทางการเงินและการทหารฝรั่งเศสก็จะได้รับประโยชน์ต่างๆจากพม่าอย่างมากมาย นอกจากนั้นในฮาร์สก็ทราบได้โดยเร็วว่าวิธีที่จะผูกมิตรกับคนสาคัญสาคัญในมือพม่านั้นทำได้ด้วยวิธีเที่ยวด่าอังกฤษให้พม่าฟังว่าอังกฤษเป็นศัตรูร่วมกันของฝรั่งเศสและพะมาะ่าเรียกว่ามีศัตรูเดียวกันในเวลาไม่ช้าไม่นานในฮาร์สกงศุนฝรั่งเศส ก็เป็นคนเข้านอกออกในทั้งในวังและตามบ้านขุนนางผู้ใหญ่เมืองพม่าได้แม้แต่สมเด็จพระสังฆราชเมืองพมา่าซึ่งพม่าเรียกว่ า, าศาสนาแบง่งในฮัทก็เข้านอกออกในได้คือว่าแม้แต่พระสังฆราชกจะโปรดปรานในฮัทกรงศูนฝรั่งเศสพู้นี้อยู่มาก ไปมาหาสู่กันใกล้ชิดสนิทสนมทีเดียวความดำเนินต่อไปว่าความจริงในฮาร์สคนนี้กองสุลฝรั่งเศสผู้นี้ ก็เกรงเกรงอังกฤษอยู่มากจะทําอะไรที่กรุงมันดาเลก็ต้องคอยปกปิดไม่ให้ฝ่ายอังกฤษรู้ซึ่งในขณะนั้นก็ทําได้สะดวกเพราะรีสิเดนต์อังกฤษที่กรุงมันดาเลในขณะนั้นไม่มีตัวมีแต่พ่อค้าอังกฤษอยู่สองสมคนซึ่งก็ออกจะเป็นคนเซอร์ฟซามิได้ใส่ใจในเรื่องการเมืองคิดแต่จะค้าขายหาเงินและนอนกับผู้หญิงพม่าเท่านั้น คนที่นฮัสต้องระวังอยู่มากทั้งกรุงมันดาเลก็มีแต่กรงศูน์อิตาลีที่ชื่อว่าเชวาลิเออันเบอีโนมีนายฮาสเกรงผู้นี้ผู้เดียวท่านผู้นี้เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของอังกฤษในกรุงมันดะเลตําแหน่งหนึ่งและก็เป็นคนเจ้าเล่เจ้ากนพอๆกับนายฮั์สนี่แหละนอกจากจะเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของอังกฤษในพม่าเหนือโดยทั่วไปแล้ว เชวาลีเออันเดรนิโอยังเป็นตัวแทนบริษัทเดินเรือมันเดเลของอังกฤษและเป็นตัวแทนบริษัทบอมเบย์ปรม่าของอังกฤษอีกด้วยเชอร์ io, าวาลีเออันเดรนิโนเขานอกออกในในพระราชวังและบ้านคุนนานพม่าได้เข่นเดียวกับนายฮัสฝรั่งเศสคนนี้และเมื่อมีผลประโยชน์รายได้จากอังกฤษนายเชอร์วาลีเอนี้ก็เป็นฝฟนอังกฤษเต็มตัว คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของนายฮัสอยู่ตลอดเวลาและเมื่อจับได้ว่าพม่าชอบคนคุยโวนี่ในอิตาลีผู้นี้จับได้ว่าพม่าชอบคนโวคนคุยโวในฮาร์สกงสุนฝรั่งเศสกับผู้ช่วยคนหนึ่งชื่อนายบองวิแลงก็คุยโวไม่อันถ้าหากพม่าคบกับฝรั่งเศสต่อไป ภายในเวลาไม่นานนักกรุงมันดเรจะเป็นมหานครแห่งกองมณีสมชื่อฝรั่งจะส่งเงินและส่งช่างเข้ามาช่วยสร้างกรุงมันดเรให้รุ่งเรืองและเรื่องลือไปทั่วทุกทิศานุทิดราชทูตจากประเทศต่างๆทั่วโลกจะต้องเข้ามาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระเจ้ามุนเทียนทองทุกอย่างจะเรียบร้อยดังที่ในฮัสว่าไวโวไว้ แต่ขอยพมา่าเริ่มทําการบางอย่างแต่เพียงเล็กๆน้อยๆให้ท่านประทานอาธิบดีที่กรุงฝรั่งเศสท่านเห็นใจเท่านั้นภายในเวาไม่ช้าพมา่าก็เริ่มทําการเล็กๆน้อยๆจริงดังที่นายฮัสขอร้องฝรั่งเศสได้รับสัมปทานให้สร้างทางรถไฟตั้งแต่กรุงมันดาเลไปถึงเมืองตองอูซึ่งตั้งอยู่บนชายแดนระหวาา่างพม่าเหนือ ละพามาใต้ที่อังกฤษ <Leah> ครอบครองอยู่ทางรถไฟและการรถไฟนี้รัฐบาลฝรั่งเศสจะลงทุนร่วมกับบริษัทที่ได้ตั้งขึ้นเป็นเงินถึงสองล้านหแสนปอนสต์เลอริงแต่รัฐบาลพม่าจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ฝรั่งเศสสำหรับเงินจำนวนนี้ในอัตราร้อยเจครึ่งต่อปี หลังจากได้เดินรถไฟไปแล้วเป็นเวลา70ปีบริษัทรถไฟฝรั่งเศสก็จะยกการรถไฟทั้งหมดให้แาาก่พม่านี่ดูเพียงแค่นี้ก็จะเห็นได้ว่าฝรั่งเศสได้เปรียบทุกทางเลยทีเดียวดอกเบี้ยก็ น, นัดและเก็บผลประโยชน์อยู่ถึง70ปีแต่พม่า ก, ก็ยอมตกลงตามเงื่อนไขนี้เพราะในฮาส แนะให้ว่าเงินที่พมา่าจะเอามาเสียดอกเบีย้ยแกฝรั่งเศสนั้นพมา่าไม่ต้องไปชัดทุนให้เสียเวลาเพียงแต่ขึ้นอัตราค่าภาษีการเดินเรือในแม่น้ำเอราวดีกับอังกฤษและขึ้นค่าผากรวงน้ำมันดินซึ่งอังกฤษเข้ามาทำอยู่ก็จะได้เงินเหลือพอเรียกว่าเอาจากอังกฤษไปฝรั่งเศสเท่านี้แต่ที่พมา่าคิดไม่ถึง แต่หรือคิดถึงแล้วก็คงยอมตามก็คือต่อไปอังกฤษจะหมดทางติดต่อกับพมา่าเพราะภาษีการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้อังกฤษเดินเรือตามลาแม่น้ำได้ยากแต่ฝรั่งเศสจะติดต่อค้าขายกับพมา่าได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะฝรั่งเศสจะมีทางรถไฟ และสินคาของฝรั่งเศสซึ่งขนเข้าพม่าด้วยทางรถไฟนั้นจะไม่ต้องเสียภาษีอะไรทั้งสิ้นเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ฝรั่งเศสก็ได้รับสัมปทานจากพม่าให้ตั้งธนาคารขึ้นในพม่าเหนือโดยรัฐบาลฝรั่งเศสและบริษัทธนาคารซึ่งจะได้ตั้งขึ้นใหม่นั้นลงทุนร่วมกันเป็นจํานวนเงินถึง25ล้านรูปี พระเจ้าสีป่อจะทรงกู้เงินจากธนาคารนี้ได้โดยเสียดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละสิบสองต่อปีแต่ราษฎรพม่าจะกู้ได้โดยเสียดอกเบีย้ยในอัตราต่าเพียงร้อยละสิบแปดต่อปีเท่านั้นธนาคารนี้มีสิทธิ์ออกธนบัตรได้และมีสิทธิ์ทาบ่อทับพิม เมืองเอา่าเมืองเมืองเมืองหมกพร้อมกับได้สิทธิผูกขาดในการค้าใบาเมี่ยงทั่วราชนาจักรด้วย ข้อตกลงระหว่างพม่า ก, กับฝรั่งเศสทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการยืนยันรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศสที่ครุงปรารีสอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเริ่มดาเนินการต่างๆตามข้อตกลงได้พระเจ้าสีปอก็ร้อนพระราชฤทยัยมีพระเจ้ประสงค์ที่จะข้อตกลงต่างๆเกิดผลโดยเร็วจึงโปรดให้ขุนมางพมา่าตําแหน่งปันเกียร์วุลผู้สึ่งเป็นนักเรียนนอกเคย ไปศึกษาที่ฝรั่งเศสเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มไปยังกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งตาแหน่งปันเกียิวุ่นนั้นแปลเป็นไทยพอได้ใจความว่าเจ้ากรมกระจกมีหน้าที่คอยควบคุมราชการหุงกระจกสำหรับประดับพระาชมณีสถานและพระอารามหลวงต่างๆแต่ทั้งที่นายฮัสโกองสุนฝรั่งเศส ได้พยายามปิดเรื่องราวทั้งหมด ไ, ดไว้เป็นความลับเชื่อวาริเออันเดรอีโนผู้ซึ่งเป็นกงสุนิตตารีและเป็นตัวแทนอังกฤษในกรูมันเดเลก็ทราบเรื่องทั้งหมดโดยละเอียดนายอิตารีผู้นี้อยู่พมา่ามานานกว่านายฮัสรู้ภาษาพมา่าและรู้จักใจพมา่าดีกว่านายฮัสถึงแม้ว่าขุนนางผู้ใหญ่พมา่าจะไม่ได้แผร่พลายความลับ แ, แก่ เชวรีเอออันเรอิโนโแต่ท่านผู้นี้ก็มีสายเป็นข้าหลวงและมหาเล็กในวังเป็นทนายตามบ้านเสนาบดีและเป็นเสมียนในสาราลูกขุนหลุดดอสายเหล่านี้จะเรียกว่าสายลับก็ได้ได้หาข้อเท็จจริงมาให้แกนายเชวรีเอกได้ตามแต่จะสั่งและนายเชวรีเอกก็ส่งข่าวต่างๆนั้นไปให้แกอังกฤษ ข่าวเรื่องฝรั่งเศสจะทำรถไฟ คือสร้างทางรถไฟละตั้งธนาคารไม่ได้ทำให้ในายอิตาลีผู้นี้ตื่นเต้นเท่าใดนักหรอกแต่สายรับได้นำข่าวอีกข่าวหนึ่งมาบอกซึ่งทำให้ในายเชยวาริเออันเดรนิโอเป็นเดือดเป็นแค้นมากข่าวนั้นก็คือทางราชการพรม่า ก, กำลังจะอนุญาตให้ฝรั่งเศสตั้งบริษัทเดินเรือขึ้นในแม่น้ำาอรวดีอีกสายหนึ่ง เพื่อแข่งกับบริษัทเรือกลนไฟของอังกฤษที่เชอวารีเอออันเดรอิโนเป็นตัวแทนอยู่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องทุบหม้อข้าวกันชัดๆนี่เชอวารีเอก็เขียนข่าวส่งให้แกนกฤตพร้อมกับข่าวทั่วฝรั่งเศสกำลังหาทางค้าขายติดต่อกับพมา่าจากเมืองตองกิงในยุนเหนือผ่านราวเข้ามาทางไทยใหญ่อีกด้วย แต่เอกสารสำคัญที่เชวรีเอตส่งให้แกอังกฤษก็คือจดหมายจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึงเสนาบดีต่างประเทศพม่ามีข้อความแน่ชัดว่าฝรั่งเศสจะส่งอาวุธและเครื่องยุทโธปกรณ์ต่างๆจากเมืองตองกิงมาให้แก่พม่าโดยส่งเข้ามาทางแคว้นไทยใหญ่หนังสือฉบับนี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสลงนามไว้ โดยที่ไม่มีที่เคลือบแคลงสงสยัยและเป็นหลักฐานชัดเจนว่าฝรั่งเศสจะช่วยให้พมา่ารบกับอังกฤษเชอวารีจะได้จดหมายสำคัญขนาดนี้มาได้อย่างไรไม่มีใครทราบแต่เมื่อได้มาแล้วก็ต้องส่งตอบให้คารุอยางอังกฤษในพมา่าได้โดยเร็วที่สุดเพราะถ้าเก็บหนังสือไว้กับตัวนานไป หากทางฝ่ายพม่ารู้ว่าเชวาริเอมีจดหมายนั้นอยู่ในครอบครองเชวาริเอก็อาจจะเป็นอันถึงลมถึงตายเอาได้ไง่ายๆเมื่อรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียได้รับรายงานฉบับสําคัญจากเชร์วารีเอะและหนังสือที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าฝรั่งเศสจะส่งอาวุธให้แก่พมา่ารัฐบาลอังกฤษที่อินเดียก็ส่งข่าว และหลักฐานเหานั้นต่อไปอยังรัฐบาลอังกฤษที่กรุงลอนดอนในเวลานั้นนายกรบุรีอังกฤษก็คือรอต์รอต์ซอลเบ อ, เบอรี่อ่ารอต์ซอลเบ อ, เบอรี่ได้ทราบข่าวก็เรียกเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสที่กรุงลอนดอนมาพบาที่กระทรวงต่างประเทศแล้วต่อว่าในการกระทําต่างๆของฝรั่งเศสที่กระทําที่พม่าน่ะ พร้อมกับบอกตรงๆว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้ชาติอื่นชาติใดเข้าไปรับสัมปทานดําเนินกิจการต่างๆที่มีความสําคัญในพมา่าเข่นทํารถไฟตั้งธนาคารแลังกฤษก็พร้อมที่จะใช้มาตรการอย่างเข้มแข็งที่จะป้องกันการกระทําเช่นนั้นทูตฝรั่งเศสคนนี้มีชื่อเขียนเป็นตัวอักษรแล้วเหมือนชื่ออังกฤษว่าเวดดิงตัน ถ้าอ่านออกเสียงเป็นฝรั่งเศสก็จะต้องออกเสียงว่าวัดแดงต๋องเอาละ่ะก็จะเรียกเขาในวัดแดงต๋องละ่ะเหมือนในวัดแดงต๋องถูกต่อว่าโดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ตอบปัดป้องเบี่ยงบานไปตามธรรมเนียมทูตว่าข่าวเกี่ยวกับฝรั่งเศสในพมา่าคงจะไม่มีมูลความจริง แล้วก็ยืนยันในไมตรีจิตมิตรภาพที่ฝรั่งเศสมีตองกฤษตามธรรมเนียมทูตเขาเขามีธรรมเนียมกันอยู่อย่างนั้นเขาก็ว่าดกันไปตามธรรมเนียมคือว่าให้มันย่นเยอะกันเข้าไว้ในขณะนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสเชื่อวางกฤษคงจะต่อว่าและประท้วงไปอย่างนั้นเองเห็นจะไม่ถึงกับกล้าทําสงครามในยุโรปกับฝรั่งเศสเพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนในประเทศพม่ารอก ถ้าหากฝรั่งเศสดาเนินการต่างๆในพม่าไปจนเสร็จ ต, ตามที่ตั้งใจไวอังกฤษก็คงจะไม่ว่าอะไรเมื่อไปรู้เอาในตอนท้ายเพราะฉะนั้นเมื่ออังกฤษประทวงอีกในระยะต่อๆมาฝรั่งเศสก็คอยปฏิเสธเรื่อยมาเช่นเดียวกันว่าเรื่องที่อังกฤษทวงนั้นไม่เป็นความจริงอังกฤษกับฝรั่งเศส จึงเล่นลิ้นการพูดกันยุ่นนานในเรื่องนี้และนฮาสกงศุนฝรั่งเศสก็คงยังทำการก่อกวนเพื่อทำลายอิทธิพลของอังกฤษในพม่าต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งฝ่ายฝ่ายพระเจ้าสีป อ, เ, อเมื่อเห็นฝรั่งเศสมาทำสัญญาจะสร้างทางรถไฟและตั้งธนาคาร ก็ให้ดีพระไทยนักเฝ้าแต่ทรงฝ่ายฝันว่าจะได้พระราชทรัพย์จะได้พระราชทรัพย์จากฝรั่งเศสมากม า, กายก่ายกองเพราะพระเจ้าสีป่อ น, นั้นทรงเห็นว่าพระาชนาเขตและอาณาประชารัศดรทั้งปวงเป็นแต่เพียงบ่อเกิดแห่งพระราชทรัพย์ที่พระองค์จะทรงนำมาจับจ่ายใช้สอยได้ตามพระชลไทยเท่านั้น หาได้ทรงเห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งพระองค์มีความรับผิดชอบที่จะทํานุบํารุงให้มีอิสรภาพและมีความผาสุกไม่แต่ในขณะนั้นพระเจ้าทราบทีทรงหวังว่าจะได้จากฝรั่งเศสก็ยังคงเป็นความหวังเพราะฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้เข้ามาตั้งธนาคารหรือทําการอื่นๆดังที่ว่าดไว้พระเจ้าสีปอและพระนางสุพยรัตน ก็ทรงต้องการที่จะจ่ายพระเจ้ทรัพย์จำนวนมากอยู่มิได้ขาดพระเจ้าสีป่อจึงทรงพิจารณาหาทางที่จะได้มาซึ่งพระเจ้ทรัพย์นั้นจากแหล่งต่างๆเท่าที่มีอยู่ไปก่อนแหลง่งแหล่งที่จะเก็บพระเจ้ทรัพย์ได้นั้นไม่ต้องทรงหาให้ไกลเพราะทรัพย์สมบัติแห่งกรุงรัตนบุระอังวะนั้น ตกอยู่เป็นกรรมสิทธิ์แก่คนจํานวนน้อยคนส่วนใหญ่นั้นมีแต่ความยากจนทั้งนั้นการหาทรัพย์การการที่จะเก็บพระราชทรัพย์ไม่ต้องไปทําที่อื่นที่ไดที่ยากที่ไกลเพราะคนรวยๆเนี่ยมีจํานวนน้อย แต่รวยมากคนส่วนใหญ่คนจํานวนมากนั้นมีเงินกันเพียงคนละจํานวนนน้อ ย, อยคือคนส่วนใหญ่ยากจนคนมั่งมีก็มีซะมากก็เป็นบุคคลเป็นบริษัทห้างร้านนี่แหละที่พระเจ้าสีปอกคิดว่าจะหาเงินกับคนประเภทนี้ได้ง่ายผู้ธิพมา่าเห็นว่าร่ํารวยนะักก็เห็นจะได้แก่ห้างบอมเบพมา่า ของอังกฤษนะ่ะห้างบอมเบนีคือชื่อนะ่ะชื่อน่ะเป็นพม่าล่ะห้างบอมเบบร์มาอืห้างบอมเบพม่าของอังกฤษห้างบอมเบนีได้รับสัมปทานจากกรุงอังกฤษให้ทำป่าไม้สักซึ่งเรียกกันว่าป่ายิงยานตั้งอยู่ใกล้ชายแดนระหว่างพม่าเหนือกับพม่าใต้ซึ่งอังกฤษครอบครองอยู่ ห้างบอมเบตตัดไม้ในป่ายิงยานได้แล้วกดชักรากมาลงแม่น้ําอิราวดีล่องแพร่สงลงไปยังเมืองตองอูและเมืองย่างกุ้งเพื่อส่งไปขายนอกประเทศต่อไปนี่การตัดไม้ไปขายนอกนี่ทํากันมานานเนหนักหนาแล้วห้างบอมเบตมีโรงเรือจักขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองตองอูและเมืองย่างกุ้ง มีควายมีช่างเป็นฝูงๆเอาไว้ลากสูงและมีพนักงานและคนงานมากมายถึงเดือนก็จ่ายเงินเดือนแก่คนเหล่านั้นเป็นจานวนมากการทำงานขนาดใหญ่ของห้างบอมเบ่ทำให้พระเจ้าสีปอทรงคิดไปว่าห้างบอมเบคงจะมีผลประโยชน์กาไรท่วมทน้นชอบที่จะถวายส่วนแบ่งจากผลกาไรนั้น ให้แกพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อก่อนนายฮาสกงสุนฝรั่งเศสจะมาถึงนั้นทางฝ่ายพมา่ามีเรื่องกับห้างบอมเบย์อยู่แล้วพระราชการพรมาร่ากล่าวหาว่าห้างบอมเบย์ได้ติดสินบนเจ้าเมืองยิงยานแล้วเสียค่าผาาหลวงน้อยน้อยกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ในสัมปทานนอกจากนั้นห้างบอมเบย์ยังได้แอบชักรากไม้ออกจากปา่า โดยไม่ได้เสียค่าผากหลวงเป็นจำนวนมากอีกด้วยข้อกล่าวหานี้อาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้ไม่มีใครรู้ห้างบอมเบก็เป็นแต่เพียงห้างทำป่าไม้ไม่ใช่เทวดามาจากไหนหากเห็นมีประโยชน์อยู่ที่ไหนประจกของเผลอเรอควบคุมไปไม่ถึงก็อาจจะฉกฉวยเอาตามใจก็ได้ ทางพม่าได้แจ้งให้ข้าหลวงยางกฤษที่เมืองย่างกุ้งสั่งว่าห่างบอมเบชักรากไม้สักดิ์เปิดถึงแปดหมื่นท่อนแต่ริดเสียค่าผ่าหลวงถูกต้องเพียงสามหมสองพันท่อนเท่านั้นข้าหลวงยางกฤษก็ต้องตอบไปว่าขอให้ทางราชการพรม่าตรวจสอบบัญชีป่าไม้ที่เมืองตองอุซกอนและขอให้คำมึงถึงว่าห่างบอมเบทำป่ายิงยานภายใต้สัญญาที่ทำไว้กับรัฐบาลพม่าถึงสามฉบับดึกกัน สัญญาแต่ละฉบับก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันการกระทําของห้างบอมเบ่บางอย่างอาจจะผิดสัญญาฉบับหนึ่งแต่อาจจะถูกสัญญาอีกฉบับหนึ่งก็ได้ควรจะสะสางเรื่องทั้งหมดให้เรียบร้อยเสียก่อนนี่คือคําตอบทางพม่า ก, ก็ไม่ได้สนใจในคําตอบนี้จะได้ประกาศออกมาว่าจะให้สาราลูกขุนหลุดดอชําระความและตัดสินข้อพิพาทระหว่างทางราชการพม่าและห้างบอมเบ่ และต่อมาสาราลูกขุนหลุดดอกก็ได้ตัดสินว่าห้างบอมเบ่จะต้องชดใช้เงินในแก่ตาราชการพรม่าถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนรูปีสั่งให้ปรับห้างบอมเบ่ฐานหลีกเลี่ยงค่าผาดหลวงเป็นจํานวนเงินอีกเท่าตัวก็อีกหน00ึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนดิและให้จ่ายค่าสินไหมแกเจ้าหนักงานป่าไม้ของพม่าอีกเป็นจํานวนเงินสามหมื่นสาพันปอน ในการตัดสินนี้สาราลูกขุนก็ได้อ้างหลักฐานพยานต่างๆมากมายข้อสำคัญอยู่ที่ว่าอังกฤษหาว่าพม่าเป็นฝ่ายเล่นรังแกส่วนพม่าก็ว่าพม่าเป็นฝ่ายทุกหาว่าฝ่ายอังกฤษพยายามหลีกเลี่ยงภาษี หาประโยชน์จากพม่าโดยไม่ชอบโดยมิชอบอย่างนี้ว่าไปใครจะผิดใครจะถูกมันเป็นเรื่องพูดกันยากถึงตอนที่ซาลาลูกขุนหลุดดรตัดสินคดีห้างบอมเบ้นั้นในฮาสกงสุนฝรั่งเศสมาวุ่นวายอยู่ที่กรุงมันดาเล่แล้วพอในฮาสทราบเรื่องว่าห้างบอมเบ่ถูกปรับอังกฤษถูกปรับว่างั้น ในหาซึงเป็นฝรั่งเศสก็ดีใจวิ่งเข้าไปเสนอว่าถ้าหัดห้ามบอมเบ่ต้องล้มเลิกกิจการไปเพราะถูกปรับในครั้งนี้พมา่าไม่ต้องวิตกว่าจะไม่มีคนทําป่าไม้ทางฝรั่งเศสรับจะเป็นผู้เขาทําป่าไม้เมืองพมา่าให้ต่อไปและจะถวายผลประโยชน์แก่พระเจ้ากรุงอังวะให้มากมาก กว่าที่อังกฤษเคยถวายมาอีกหลายเท่านี่ดุลการโวของนายฮาร์ก็โวไปอย่างนี้ฝ่ายข้าหลวงอยงกฤษที่เมืงองย่างกุ้งได้ติดต่อเข้ามายังทางราชการพรมา่าขอให้รอการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาไว้ก่อนให้รอไปก่อนอังกฤษเสนอให้ตั่งคนกลางขึ้นเป็นอนุญาตโตตุลาการชี้ขาดในเรื่องนี้ หากคนกลางที่ขาดว่าห้างบอมเบ่ผิดจริงฝ่ายกรีกก็จะยอมตามมันหนังสือของข้าหลวงยหญ่กรีกนี้ทางฝ่ายพม่า ก, ก็มิได้สนใจที่จะตอบแต่สั่งให้ยึดยึดทีเดียวยึดแผงซุ้มของห้างบอมเบ้ไว้ทั้งหมดและประกาศว่าจะไม่ให้ห้างบอมเบ้ชักลากไม้ออกจากป่า ย, ยิงยานอีกต่อไปจนกว่าห้างบอมเบ้ จะเสียค่าปรับตามทิ่สลารลูกขุนหลุดดอได้ตัดสินไปแล้วหลังจากนั้นอีกสองวันทางราชการพรม่า ก, ก็ได้ยื่นหมายไปยังห้างบอมเบ่สั่งให้จ่ายค่าปรับงวดแรกคนที่ดีใจที่สุด ในการที่พม่าไม่ยอมฟังเสียงอังกฤษในครั้งนั้นก็ยจะได้แก่นายฮัสกงสุนฝรั่งเศสผู้นี้ถ้าจะคิดด้วยใจของนายฮารสนายฮารสก็เป็นคนที่ได้ทำงานให้แก่ประเทศของตนในการแสวงหาอิทธิพลได้ผลรวดเร็วอยู่นายฮาสมาอยู่ที่กรุงมันดะเลได้ยังไม่ถึงสี่เดือนดีแต่ก็ได้ตกลงกับพม่าได้มากมายหลายอย่าง จนเกือบจะเรียกได้ว่าได้มัดพม่าเข้าไว้ยังไม่เคยมีกองศุนคนใดใครจะทำได้ทั้งที่คนของฝรั่งชาติอื่นๆก็ได้พยายามจะทำอย่างเดียวกันมาหลายปีแต่ก็ไม่สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษก็ทำไม่สำเร็จซึ่งในฮาสเห็นว่าเป็นศัตรูคู่แข่งตัวสำคัญแต่ในฮารสมาอยู่ ที่กรุงมันดาเลห่างไกลไม่ทราบว่าอังกฤษและฝรั่งเศสกําลังดําเนินการพูดกันอยู่อย่างไรที่เกี่ยวกับพม่าเนี่ยและสิ่งที่เนฮาร์สไม่รู้ก็คือรัฐบาลฝรั่งเศสของตนได้บอกกับอังกฤษไปแล้วว่ารัฐบาลฝรั่งเศสไม่ยอมรับรู้ในการกระทําอย่างใดทั้งสิ้นของเนฮาร์สที่กรุงมันดาเลเพราะในตอนปลาย รัฐบาลฝรั่งเศสได้ถือเป็นมติแน่นอนแล้วว่าจะไม่ยอมทำสงครามกับอังกฤษด้วยสายเหตุเรื่องเมืองพมา่าซึ่งฝรั่งเศสเห็นว่าเป็นเหตุเล็กในฮาร์ดได้เข้าไปกราบบาังคมทูพระเจ้าสีป่อไว้ว่าฝรั่งเศสคือในหาดเนี่ยทงานคนเดียวคือด้วยความคิดเห็นส่วนตัวส่วนตนทุกประการแหะ เอาก็เข้าไปกราบพูดว่ฝ ร, รั่งเศสน้ความเคารพนับถือในกรุงรัตนบุรอังวะยิ่งนักด้วยเหตุที่กรุงรัตนบุรอังวะนั่นเป็นประเทศใหญ่ประเทศสาคัญมีสักว์ดาูปภาพเลื่องลือไปทั่วทุกทิศนี่เข้าไปกล่าวอย่างนี้ซึ่งอันนี้แม้แต่ประเทศไทยเราก็เคยได้รับการยกย่องอย่างนี้เหมือนกันว่าเป็นใหญ่เป็นโตเป็นมหาอำมาจ ถึงกับจะใช้าภาษาไทยเป็นภาษากลางของโลกนี่เขาก็มีการทากันอย่างนี้นี่นา้ฮาสก็เล่นเพลงบทนี้กับพระเจ้าสีป่ อ, อกล่าวต่อไปทีเดียวว่าแม้แต่พระเจ้าสีป่อเองเนี่ยก็ทรงเป็นพระหมหากระัตราราธิราชที่ยิ่งใหญ่ฝรั่งเศสเคารพนับถือในพระเจ้าไมตรทีที่ทรงมีต่อกรุงฝรั่งเศสเป็นที่สุด จะไม่ยอมให้สิ่งใดมาลบล้างทามพระชจะมิตรีนั้นได้ถึงอย่างไรฝรั่งเศสก็จะไม่ทอดทิ้งพม่าเป็นอันขาดนี่นายฮาร์สพูดคนเดียวมีศึกเสือเหนือใต้ฝรั่งเศสก็จะช่วยพมา่ารบเอาชัยชนะให้จงได้นายฮาร์สพูดคนเดียวฝ่ายพระเจ้าสีปอผู้ซึ่งทรงหลงอยู่แลว้วว่ากรุงรัตนบุรีอังวาเป็นหลัก ของโลกไม่มีประเทศใดในโลกจะยิ่งไปกว่ารัตนบุรอังวะของพระองค์ละก็ทรงเชื่อตามที่ในฮาสกราบบังโคมทูลมิได้สงสัยคลางแคลงแต่ประการใดอย่างไรแต่แล้วฝรั่งเศสก็เห็นว่าพมา่าก็เป็นพมา่าเล็กๆเป็นเหตุที่เล็กนิดเดียว เกินไปที่จะทำให้ฝรั่งเศสต้องทำสงครามกับประเทศมหามำาจด้วยกันฝรั่งเศสก็ทิ้งพมา่าเอาง่ายๆเรื่องนี้มีคติมีค ต, ติส่วนว่าใครจะมองเห็นหรือไม่ก็ช่างประไร อย่างไรก็ตามต่อมาอีกเดือนหนึ่งในฮ r รฝรัร่งเศสผู้นี้ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ยื่นหนังสือลาป่วยแล้วรีบเดินทางกลับไปเสียให้พนพนจากกรุงมันดะเลในฮารก็ต้องทำตามหนังสือของรัฐบาลของตนและในฮาร ผู้ซึ่งมาให้ความหวังต่างๆนานาประการแก่พม่าไว้มากมายหนักหนานักก็หายสาบสูญไปตั้งแต่นั้นถึงแม้วันในฮาสดจะได้หายหน้าไปจากกรุงมันดะเล่แล้วก็ตามความเชื่อถือที่ในฮาร์ดได้มาโวเขาไวที่ในฮารดมาโวเขาไวก็รู้ว่าพม่าเนี่ยชอบคนโวจึงมาโวเขาไวมาก ความเชื่อถือที่ในฮาร์ดได้มาเก่อเข้าไว้เนี่ยก็ยังคงตกค้างอยู่คือพระเจ้าสีปอก็ยังทรงเชื่อว่าฝรั่งเศสจะมาช่วยเมื่อมีเหตุและแตงดามินกี้อาคมาเสนาบดีฝ่ายกลาโหมก็เชื่อเช่นนั้นด้วยการที่ในฮาร์ดบอกป่วยบอกลาหายไปเฉยๆนั้นทั้งพระเจ้าสีปอและแตงดามินกี้ก็คิดว่ามันก็เป็น อืเพียงเหตุครุกครักชั่วคราวซึ่งต่อไปก็คงจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพระเจ้าสีปอจึงไม่ได้โปรดให้ยอมลดย่อนให้แก่อังกฤษมีพระเจ้าดํารัดให้บังคับการให้เป็นไปตามที่สาาลูกขุนหลุดดอได้วินิจฉัยแล้วคือเจ้าเงินให้ได้ ครั้งเมื่อถึงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2428ทางพม่า ก, ก็เห็นว่าควรจะตอบหนังสือข้าหลวงยยงกริฑที่เมืงองย่างกลุงเซ ธ, ธีสาราลูกขุนจึงมีสุภาพสนเสนาบดีไปยังข้าหลวงยยงกริฑว่าไม่มีเหตุอันใดจะต้องรังงับคำพิพากษาของสาราลูกขุนหลุดดอและกรุงรัตนบุรอังวะนั้น เป็นอิสระภาพเป็นเอกราชไม่มีวันที่จะรับข้อเสนอที่จะให้ตุลาการอังกฤษเข้ามาชี้ขาดในคดีความใดๆไ ด, ไ ด, ได้ถ้าจะพูดภาษาปัจจุบันก็คือว่าพม่าก็บอกกับอังกฤษตรงๆว่าอังกฤษไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาก้าวกายในกิจการของประเทศที่เป็นเอกราช ถึงเวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วก็ตามทีแต่ตรงนี้ความตรงนี้ก็เห็นจะต้องขอปรบมือให้แก่เสนาบดีกรุงอังวะเอาเรามาดำเนินความกันต่อไปเดือนตุลาคมปีนั้นคือปีสอง8นสะ่รอยสิบปดนะร้อยปีพอดี เมื่อเดือนตุลาคมปีนั้นตรงกับเทศกาลออกพรรษาในกรุงมันดาเลรัชดอนทั่วไปก็พากาันถวบญสุนทานและมีการเล่นรื่นเริงต่างๆตามประเพณีในระยะเทศกาลออกพรรษานี้มีพระราชพิธีอย่างหนึ่งที่กรุงมันดาเลเรียกว่าพระราชพิธีโกโดอกพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกท้องพระโรงให้บรรดาอมาัมมัด เละเจ้าประเทศราชตลอดจนเจ้าเมืองต่างๆเข้าเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการและถวายของต่างๆพระราชะพิธีนั้นเป็นพิธีใหญ่เวลาเสด็จออกมีขุนนางและเจ้าประเทศราชเข้าเฝ้าในท้องพระโรงเนืองแน่นผู้จีข้าเฝ้าทั้งปวงก็แต่งเครื่องยศตามตำแหน่งของตนของตนเมื่อเสด็จออกประทับมพระที่นั่ง การเจนิสิงหาดพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกประทับพอสุดเสียงประโคมและคนทั้งปวงถวายบังคมแล้วอาลักษ์ก็จะอ่านคำสัตย์ปฏิญาณถวายในนามของผู้ที่มาประชุมสโมสร น, นาทีนั้นอาพระาชพิธีโกโดอนี้ก็เห็นจะพูดได้ว่าตรงกับพระาชพิธีศีสัจปาน สีสัจปาณาการของไทยผิดกันแต่ทางพมา่านี่ได้ถือน้ำอย่างไทยเมื่อพระเจ้าสีปอสเสด็จออกในพระชพิธีโกดอในปีพุทธศักราช2428นั้นพระเจ้าสีปอคงจะไม่ได้เฉลียวพระชริชไทยเลยว่าจะได้ทรงเครื่องต้นสเสด็จออกมหาสมาคม เป็นครั้งสุดท้ายแม้ขุนนางทั้งปวงและเจ้าประเทศราญจากักแว่นแคว้นไทยใหญ่เมืองอื่นๆที่มาเฝ้านั้นก็คงจะไม่ได้นึกว่าครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่พระเจ้าศรีป่อที่พระเจ้ามนเทียนทองจะได้แสดงพระบรมเดชานุภาพไปปรากฏถ้าจะมีใครสักคน ที่มีความวิตกข้องใจในวันนั้นคนคนนั้นก็เห็นจะได้แก่กินวุ่นมินกี้ขุนนางผู้เฒ่าตำแหน่งสมุหนายกเพราะกินวุ่นมินกี้รับราชการมาจนมีความสุขขุมรอบคอพอที่จะเล็งเห็นได้ว่าการที่พมา่าจงใจกระทําตนเป็นศัตรูกับอังกฤษนั้น อาจจะทำให้เกิดภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงแกราชบัลลังก์และแกเอกราชของพม่าขึ้นแต่ถึงกินวุนมินกี้จะมีความสงสัยและวิตกกินวุลมินกี้ก็ไม่ได้พูดกับผูดด้ใดให้ร่วงรู้คงเก็บความนิ่งไวงานเทศการนัมีอยู่หลายวันอันเป็นโอกาสที่การจัการ และเจ้าประเทศสราชซึ่งได้เดินทางมาไกลจะได้รื่นเริงในพระมหานครในหายเหน็ดหายเหนื่อย เ, อเทศกาลนั้นมีการตามประทีบโคมไฟในปราสาทราชวังพระอารามน้อยใหญ่บ้านเรื อ, รอนราชดรทั่วไปทั้งพระนครในเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเทศกาลออกพรรษา กองสว่างอยู่บนท้องฟ้าอากาศเริ่มจะเย็นบรรดาผู้คนก็ออกเดินร้องรำทำเพลงไปตามถนนหนทางในยามกลางวันก็จะมีกระบวนแห่พระกรถินหลวงทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆบรรทุกผ้าพระกะทินและเครื่องบริคารซึ่งโปรดให้นำไปทอดอยังพระอารามต่างๆ ดินต่อไปดังนี้เมื่อทอดกระถินหลวงและกระถินราษแล้วตามพระอารามและวัดวาทั่วไปก็มีงานฉลองกระถินตามประทีปโคมไฟสว่างสวยมีละครดนตรีและหุนหุนนะครับเดี๋ยวนี้การแสดงหุนนี่หาดูหาชมได้ยากเป็นที่สนุกสนานรื่นเริงไปทั่วพระนคร ไม่ได้มีผู้ใดนึกถึงการศึกสงครามแต่ประการใดอย่างไรเลยแม้แต่น้อยถึงจะมีผู้นึกถึงบ้างก็ไม่ได้เกิดความหวั่นเครงแต่อย่างใดเพราะกรุงรัตนบุรีอังวะนั้นเพียบพร้อมไปด้วยไพรพลประยุหะแสนยากรทั้งทัพ บ, บกและทัพเรือหากข่าศึกศัตรูจะยกขึ้นมาทางแม่น้ำอิโรวดีก็มีป้อมปราการคอยป้องกันอยู่ทุกระยะ ไม่มีทางที่จะร่วงร้าเข้ามาได้ป้อมต่างๆ ต, ตามรําแม่น้ำอิรวดีนั้นมั่นคงแข็งแรงนะักมีนายช่างอิตาลีสองนายชื่อโคมมตโตและโมลินารีเป็นผู้สร้างมีแตงดามินกี้และเจ้ากรมเรือหลวงรับผิดชอบคอยดูแลให้มีทหารและอาวุธประจำอยู่ครบครัน ในเทศกาลออกพรรษาปีนั้นพระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยรัตก็สำราญพระราชรัไท ย, ยู่ในวงังแวดรอมบริษสาวสุรางสนมกำมันทั้งปวงโดยมีละครและการละเล่นต่างๆทุกคืนสนุกสนุกเกินกว่าที่จะพรรณนาได้สิ้นเทศกาลออกพรรษาแล้ว แสงพระจันร์บนท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดลงแสงไฟที่ประทีบโคมไฟเสียงพินเสียงเพลงเสียงพินพาดเสียงขับรำมำนั้นก็หมดสิ้นไปจากถนนหนทางแห่งกรุงมันดะเลแล้วชีวิตก็เริ่มจะดำเนินกันไปตามปกติ ปราสาทเก่สี่แยกสุปราศหลังโรงเรียนในรอยจะปลอกเป็นสถานที่จำหน่ายหนังสือธรรมะทุกชนิดเพชรธรรมะมากมายแล่เ<ร>ทพหมาชาติเรีกฎแห่งกรรมโดยพระครูสังกัรตบุรุเหลือปัญญาเปรโรสมนินสมบูรณ์ดาวชาดกแล่เทพหมายชาตรีรสันต์ตอนชาดกแหล่ทาขวัญหน้าโดยสมนินสมบูรณ์ดาวชาดกแดละทำควัญหน้าโดยน้ําพุ่งเพชรอุไทยเพชรธรรมะจากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะ เทพธรรมภาษาจีนแต่จิ๋วบรรยายเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วโดยในแพทย์ตันหมาอเซียงพร้อมในเท็ธรรมจากพระอาจารย์ต่างๆอีกมากมายเท็ธรรมะสัปดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระเทรัพผู้ใหญ่ครบชุดณี่รานธรรมเจริญเลสตกาสิบเจ9้าสิบกาสยจุกระ ส, ส, สัตรถนรประชาธิปไตยรังโรงใ น, ในรอจอรโทรศพัพท์ติดต่อสอบถามด้วยที่สองแปดหนึ่งหนึ่งห้าสามห้า สองแสองเจ็กากนครับครับครับครับ